ราคถาชิ น, นบัญชรนะโมตัสสะพัคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้อมระลึกถึงและบูชาเจ้าประคุณสมเด็จพุทธเจ้าโตพรมรังสีแล้วสวดตามดังนี้ ตกกาโมละเพปุตตังทนกาโมละเพทนังอติกาเยกา ย, ยายะเทวานังติยตังสุตตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนเทวเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอระรหังสุ ข, ขโตนะโมพุทธายะชยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจะตุสัจจาสะพังระสัง เยปิวิงสุนราสภาพระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลายผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยยบัลลังก์ส่งพิชิตพระยามานผู้พรังพร้อมด้วยเสนามานแล้วสวยอมตะ ร, รถคืออริยสัจธรรมทั้งสี่ประการเป็นผู้นำสพรพพสัตให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกตันหังก ร, ราธโยพุทธอัตถวีสตินายกา สัพเพปติติตาไมหังมัทเถเกเ ต, เ, ตเตมุนิสรามี28พระองค์คือพระผู้ทรงพระนามว่าตันหังกรเป็นอาทิพระพุทธเจ้าผู้จอมุนีทั้งหมดนั้นศีเสปติติโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปติโตไมหังอุเรสพระคุณากรโร ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้าองค์สมเด็จ พ, พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองพระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรพพคุณอยู่ที่อกหัทเยเมอนุรุตโธสารีปุตโตจัตท ค, คินเนโกนทันโยปิธิภาคัตสมิงโมคลาโนจวามาเก พระอนุรุธทธะอยู่ที่ใจพระสารีบุรอยู่เบื้องขวาพระอัญยาโกณธั ญ, ญะอยู่เบื้องหลังพระโมกัลาอยู่เบื้องซ้ายทักคินเนสวเนมัยหังอาสงอานันทะราหุโลกัสจสปโจรมานามโมอุพาสงวามะโสตะเกพระอนนท์กับพระราหุลอยู่หูขวาพระกัจสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย เกสันเตปิธิพาคัสมิงสุริโยวะปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคาโวมุนีผู้ประเสริฐคือพระโสพิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขนตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง กุมารกัสโปเทโรมะเหศีจิตตะวาทะโกโสไมหังวัฒเนนิจจังปฏิทธาสิคุณากโรพระเถ ร, ระกุมารกัสปะผู้สแสวงบุญทรงคุณอันวิเศษมีวาทะอันวิจิตไพร่อยู่ปากเป็นประจำปุโนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทะศีวลีเถราปัญจะอิเมชาตานาลาเตติลกามะมะ พระปุญณพระอังคุลีมานพระอุบาลีพระนันทะและพระศิวลีพระเทระทั้งห้านี้จงปรากฏเกิดเป็นกระจะจุนเจิมที่หน้าผากเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตะวันโตชิโนรสาชลันตาศีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันธิตา ส่วนพระอสิติมหาเทระที่เหลือจากนี้ผู้มีชัยและเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัยแต่และองค์ล้วนรุ่งเรืองไพโรดด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่รัตนังปุระโตอาสิทัคิเนเมตะสุตตะกังทัชชักคังปัจฉโตอาสิวาเมอังคุลิมาลักกังพระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้า พระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวาพระอังคุลิมาละปริศอยู่เบื้องซ้ายพระทชชคัสสูตรอยู่เบื้องหลังขันธโมระปริศตัญจะอาตานาติยะสุตตะกังอากาเสชะทนะนังอาสิเสสาปาการะสันทิตาพระขันธปริศพระโมระปริศและพระอาตาาติยะสูตรเป็นเครื่องกลางกั้นดุดหลังคาอยู่บนนาากาศ ชินนานาวระสังยุตตาสัตตปาการลังกตาวาตะปิตตาทิสัญชาตาพาหิรัชัตุปัตถวาอันหนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลายนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนาน า, นาชนิดมีสีลาที่คุณอันมั่นคงคือสัตตปาการเป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น อเสสาวินายางยันตุอนันตชินะเตชสาวสโตเมสกิตเจนะสทาสัมพุทธปัญชะเรด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใดๆเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชนแวดวงกรงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโรคอุปัวทุกข์ทั้งภายนอกและภายใน ทันเกิดแต่โรคร้ายคือโรคลมและโรคดีเป็นต้นเป็นสมุิฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือชินะปัญชะระมัดชัมหิวิหรันตังมหีตะเลสถาปาเลนตุมังสับเพเตมหาบุริสาสภาขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้นจงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้า ผู้อยู่ในภาคพื้นทํากลางพระชินบัญชรข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีชะนี้แลอิเจวะมันโตสุขุโตสุรักโโหชินานุภาเวนะชิตุปัทเโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังคานุภาเวนะชิตันตะราโย สัทธัมมานุภาวะปาลิโตจะรามิชินะบัญชะเรติข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธธรรมจึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัตวะอันตรายใดๆด้วยอนุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้าชนะฆาศึกศัตรูด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระสง ขอค่าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติและรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนินิรันเทิน